สมัยนี้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆมันมีอุปกรณนะ์ที่ช่วยทุนแรงทุนเวลาแล้วก็มีสิ่งให้ความบันเทิงเริงรมมากมายแต่ก็แปลกนะผู้คนจำนวนมากเลย กับรู้สึกเครียดกับรู้สึกเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตเหมือนกับว่าชีวิตแต่ละวันแต่ละวันนี่มันต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาจริงเนี่ยชีวิตที่สะดวสบายนคนสมัยนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะอันนี้ในแง่ของกายภาพบางทีก็ต้องเคี่ยวเขินให้ต้องวิ่ง ด้วยซ้าเพื่อให้สุขภาพดีแต่ถ้ามองเนื้อของชีวิตจิตใจแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับวิ่งอยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่แค่กลางวันอย่างเดียวบางทีก็กลางคืนด้วยที่เป็นช่นิดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยชีวิตจิตใจให้ไหลไปตามกระแสของโลกกระแสของโลกเวลานี่มันก็เชี่ยวกรากมาก พอปล่ อ, อยชีวิตจิตใจให้ไปอยู่ท่ามกลางกระแสของโลกมันก็เหมือนกับอยู่กับกลางกระแสน้าเชี่ยวนะนก็พาไหลไปมันพามันผลักนะให้ต้องวิ่งวิ่งแข่งขันนะแข่งแย่งดิ้นรนนะเพื่อจะได้มีเหมือนคนอื่นเขา ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสิริญหรือว่าสถานะคนรอบข้างเ็ามีอะไรนะก็ต้องมีเหมือนเขามีรถมีบ้านมีตำแหน่งก็ต้องมีเหมือนเขาให้ได้และเดี๋ยวนี้มันยิ่งว่านั้นนะ ไม่ใช่มีเหมือนเขามีเท่าเขานะแต่ว่าอยากจะมีมากกว่าเขาคนตัวนี้เนี่ยไม่ได้หวังรวยอย่างเดียวนะแต่ว่าหวังรวยกว่าด้วยพอถ้ารวยแล้วรวยไม่เท่าคนอื่นมันก็ไม่ได้นะก็ยังรู้สึกด้อยก็ต้องตะเกียกตะกายนะมี ย่งน้อยก็เท่าๆเขาแล้วก็ดียิ่งกว่านั้นคือว่ามีให้มากกว่าเขาแต่ว่าไม่ว่าจะมีมากกว่าใครก็ตามมันกยังมีน้อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตะเกียกตะกายไล่ล่าให้มียิ่งขึ้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินทองบ้านรถยนต์ทรัพย์สินหรือว่าตำแหน่งสถานะไม่ใช่แค่แข่งแย่งแข่งขันเพื่อให้มีมากกว่าคนอื่นเท่านั้นนะแต่ยั ง, ยงรวมไปถึงการไล่ล่าหาสิ่งเสพ ที่ปนเปื้อนตนด้วยไม่ว่าจะสิ่งเสษทางตาสิ่งเสษทางหูหรือว่าสิ่งที่มาประดับประดากายเพื่อให้เกิดนะความพึงพอใจอันนี้ก็เป็นการนะเป็นเหตุให้ต้องวิ่งนะต้องตะเกียกตะกายเพื่อ จะได้มีความสุขแต่ว่าความสุขที่มีมันก็ไม่เคยพอเพียงสักทีเพราะว่าพอมีเงินมีทองมากขึ้นมันก็มีความคาดหวังสูงขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เคยเป็นความสุข พอได้มาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สุขอีกแล้วละมันต้องมีสุขหรือต้องมีมากกว่า น, นั้นสมัยที่ยังไม่ค่อยมีเงินนะแค่มีรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็มีความสุขแล้วแต่พอชีวิตดีขึ้นมีฐานะมากขึ้นมีเงินมากขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้วนะมันต้องมีรถปิกอัพแต่พอ รวยขึ้นรวยขึ้นนะหรืออาจจะไม่ไม่รวยขึ้นหรอกนะแต่ว่าคนหนึ่งกขมีกันมีมากกว่านั้นรถเก่งเราก็ต้องมีบ้างคาดหวังจากชีวิตมากขึ้นมีโตโยต้าแล้วไม่พอนะตอนหลังก็ต้องมีรถยี่ห้อดีแพงกว่า เช่นเบน BM ีเเป็นต้นนี่คือการไล่ล่าหาความสุขหามาสิ่งปลนเปลิดตนและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังตามด้วยการวิ่งตามสิ่งรออารมณ์สิ่งรออารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งเสษที่ให้ความสุขความพอใจ เท่านั้นนะสิ่งล่ออารมณ์เน่ยเดี๋ยวนี้มันก็รวมไปถึงสิ่งที่ล่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าบางทีก็ล่อให้เกิดความโกรธให้เกิดความไม่พอใจเพื่ออะไรนะเพื่อได้ติดตามอย่างข้อมูลข่าวสารเรื่องราวข่าวข่าวของชาวบ้าน มันล้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกปลุกถูกปรนหรือถูกนำเสนอนะเพื่อล่อให้คนเนี่ยติดตามด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะเพียงแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นหรือสนองความาศาสใจเท่านั้นนะเช่นข่าวข่าวนะเกี่ยวกับดารา ทะเลาะเบาแวงกันก็ต้องอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนผิดยิ่งมีเรื่องราวถึงกับล้มหายตายจากก็อยากจะรู้นะมันฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วบางทีก็พอปักใจเชื่อว่ามันมีคนผิดนะก็ยิ่งอยากจะติดตามเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษนะ เือให้ความยุติธรรมได้ปรากฏแต่บอ่อยครั้งเนี่ยมั น, นก็เป็นแค่สิ่งที่สนองความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นและยิ่งบางเรื่องเนี่ยมันทำให้โกรธนะมันทำให้ขุนเคืองมันก็ยังมีผลนะในการดึงดูดผู้ค น, นให้ติดตามความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็เป็น หรือเรื่องราวข่าวคราที่ทําให้โกรธทําให้เกลียดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนนั้นที่ก็พบ ว, ว่าเนี่ยข่าวคร า, าวที่แชร์กันมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีดีอ่ะมันเป็นเรื่องแย่แย่ที่กระตุ้นให้คนเกิดความโกรธความเกลียด แล้วยิ่งโกรธยิ่งเกลียดเท่าไหร่ันก็ยิ่งมีการติดตามยิ่งมีการแชร์ยิ่งมีการคอมเมนต์ยิ่งมีการให้เวลาและในผู้คนก็หมดเวลาไปการวิ่งตามสิ่งล่ออารมณ์เหล่านี้ใอ้สิ่งเสพที่ลประโให้ความสุขก็ไล่ล่าหามันส่วนสิ่งที่ล่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นหรือกระตุ้นให้เกิดความโกรธ ก็ไล่ล่าวิ่งตามมันเหมือนกันเพราะฉะน้นคนอย่างนี้ก็ให้ความที่ต้องการติดตามให้ทันข่าวคราวของโลกข่าวคราวของบ้านเมืองข่าวของผู้คนเนี่ยมันก็เลยหมดเวลาไปเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยกับการติดตามวิ่งไล่สิ่งร้ออารมณ์เหล่านี้ แค่นี้มันก็เหนื่อยพอแล้วนะสำหรับผู้คนในยุค ป, ปัจจุบันเนียแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่มันทำให้คนเนี่ยต้องยินรนกระเสือกกระสนแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลก็คือการาปรารถนาที่จะพิชิตเป้าหมาย เดี๋ยวนี้มันมีในชีวิตประจวาวันนี้มันมีเป้าให้ให้ผู้คนอยากจะพิชิตแล้วก็เดี๋ยวนี้่าเกิดคนจำนวนมากทีเดียวที่จัดว่าเป็นประเภทล่าเป้านะมุ่งพิชิตเป้าเป้าที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่ความสำเร็จไม่ใช่แค่ยอดขายนะเดี๋ยวนี้มันขยายถึงยอดไล์เลยทีเดียวนะ ต้องสร้างยอดไลฟ์หรือจะต้องทำให้ยอดไลฟ์นี่มันถึงเป้าที่ต้องการถ้าไม่ได้หนี่ยก็ทุกข์เนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เป้าที่มันเป็นยอดไลฟ์หรือว่าความสำเร็จนะบางอย่างก็ดูเหมือนดีนะคือเป็นเรื่ององความเรื่องของสุขภาพ เดี๋ยวนี้คนจํานวนไม่น้อยเลยเลวเ่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากแล้วก็รวมทั้งเรื่องของร่างกายซึ่งก็รวมไปถึงส่วนส่งเนี่ยยังไม่ต้องมีเป้าเลยนะวันหนึ่งต้องเดินให้ได้19ื่นหรือว่าวันนี้ต้องกินแคลอ ร, รี่ให้ได้2000ันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็น้อยกว่า น, นั้นหน่อยนะรวมทั้งน้ําหนัก น้ำหนักก็ต้องมีเป้าที่จะไปให้ถึงส่วนใหญ่ก็น้ำหนักเยอะก็พยายามลดให้มันมาถึงจุดที่ถือว่าปลอดภัยหรือว่าถูกต้องเหมาะสมนั่นก็เป็นเป้านะเดี๋ยวนี้ยังมีเรื่องของความดันเรื่องของน้ำตาลสารพัดนคนที่ เกิดความใส่ใจเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องความสมบูรณ์แบบของร่างกายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะทีเดียวนะแล้ ว, วกนี้ก็เป็นพวกที่เราต้องเร็วต้องพิชิตนะให้ถึงเป้าให้ได้มันก็เป็นชีวิตที่ชวนให้เหนื่อยชวนให้ล้ามากเลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นชีวิตที่ต้องวิ่งนะไม่หยุดหย่อน ซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะการปล่อ ย, ยชีวิตจิตใจให้ไหลไปตามกระแสของโลกสมัยใหม่น่นเดี๋ยวนี้คนเนี่ยจำนวนมากก็เยรู้สึกเหนื่อยล้านะแล้วก็เครียดวิตกกังวลหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะประสบความสำเร็จนะในอาชีพการงานหรือว่า มีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนก็พิชิตเป้าพิชิตยอดยอดขายทำยอดขายได้มากมายจะไม่มีความสุขเลยหลายคนรู้สึกว่าวันแต่ละวันเนี่ยการมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกโลกเนี่ยดูดพลังไปถ้ามีคนคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้นะการมีชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือน ถูกดูดพลังไปเพราะการที่ปล่อยชีวิตนะให้มันไปไปตามกระแสโลกนี่แหละแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ปัจจัยสำคัญนะเป็นเพราะว่าการที่คนมีความคาดหวังที่ไม่สิ้นสุดสักทีไม่ว่าจะได้อะไรมาเนี่ยแม้จะเยอะ แต่ถ้ามันต่ำกว่าความคาดหวังนี้ก็ทุกข์นะได้มา10ล้านแต่ถ้าคาดหวัง20ล้านเนี่ยมันก็คือความล้มเหลวมันก็คือความทุกข์แต่คนไม่ค่อยตระหนักนะถ้าลดความคาดหวังลงมาถ้าคาดหวังแค่10นะได้มา15 20นี่มันก็ถือว่าเยอะแล้ว แต่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นพ่อปล่อยชิดให้มันไปตามกระแสโลกเนี่ยมันก็เลยมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะบรรลุถึงสิ่งที่คาดหวังนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเท่านั้นไม่พอละเพราะความคาดหวังมันสูงขึ้นโดยเพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังจากชีวิตมากนะ ที่มันแสดงออกนะหรือวัดกันด้วยตัวเลขด้วยจำนวนเงินด้วยเงินเดือนด้วยยอดไล้หรือว่ารวมไปถึงสถานะตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตาบใดที่ความคาดหวังเนี่ยมันมันไม่มีวันยุตินะมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ก็ยากที่จะมีความสุขได้แม้จะสมหวังนะมันก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละนี่คือปัญหาของคนสมัยใหม่เลยนะจึงพะเห็นเนี่ยคนจะนวนไม่น้อยเนี่ยนะพอเหนื่อยล้าเขก็เลยหันมาสนใจนะการทำสมาธิการเจริญสติเพราะรู้ว่าใ้การหาสิ่งเสพถึงปนเปรอ มันทําให้มีความสุขชั่วคราวแต่ว่าก็ตามมาด้วยความกระสับกระส่ายความเครียดความวิตกกังวลในที่สุดหลายคนก็สนใจสมาธิภาวนาสนใจการเจริญสติแต่ว่ามันก็ไม่พอนะถึงแม้ว่าการมาฝึกจิตการมาเจริญสติการทำสมาธิในทําให้จิตใจได้พบความสงบนะมันได้เติมพลังชีวิต เหมืออกว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟหรือชาร์จพลังชีวิให้กับตัวเองแต่ถ้าว่าออกไปสู่โลกภายนอกแล้วก็ใช้ชีวิตที่ปล่อยไปไหลไปตามนะกระแสโลกเนี่ยมันก็เหนื่อยล้านะแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะเนี่ยลำพังเนี่ยจะมาเจริญสติทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะ ถ้าอยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขมีพลังเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาดูชีวิตของตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันปล่อยให้ชีวิตเนี่ยไหลไปตามกระแสโลกแค่ไหนเพราะถ้าเราปล่อยชีวิตไหลไปตามกระแสโลกอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่าหาสิ่งปลนเปรตตนหรือว่า วิ่งตามสิ่งที่รออารมณ์หรือมุ่งแต่จะไปชิดเป้านะซึ่งมีมากมายถ้ายังปล่อยชีดไปให้ไหลไปตามกระแสโลกในลนนักษณะนี้มันก็หาความสุขหาความสงบได้ยากพอเหนื่อยเราก็กลับมาชาร์จแบตเตอรี่เติมพลังด้วยสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติเสร็จ แ, แล้วพอออกไปสู่โลกภายนอกก็ กลับมาทุกเหมือนเดิมปัญหานี้มันจะหมดไปนะหากว่าไม่ปล่อยชีวิตเนี่ยให้ไหลไปตามกระแสโลกอย่างที่เคยเป็นพอะถ้าปล่อยชีวิตไปตามกระแสโลกเนี่ยมันก็จะหมดพลังไปเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี่มันดูดพลังของเราไปจริงโลกนี่นะมันมีสิ่งดีมากมายนะที่สามารถจะเติมพลังชีวิตให้กับเราได้ ไม่ใช่ว่าดูดพลังชีวิตของเราไปจนเหมื่อยละจนเหนื่อยละจนไม่รู้ว่าจะมีชีวิต อ, อยู่ไปทำไมถ้าเรารู้จักนะกลับมาตั้งสติแล้วก็ไม่ปล่อยชีวิตของเราเนี่ยให้ไหลไปตามกระแสโลกที่จริงถ้าเราเพียงแต่ตั้งมั่นนะ แค่อยู่นิ่งๆแล้วพิจารณาโลกเนี่ยโลกมันจะไหลไปมันจะวิ่งไปยังไงเราก็พิจารณาดูมันไม่ไหลาตามันเราก็จะพบนะสิ่งดีๆนะจากโลกนี้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่มันทำให้รู้สึกเบิกบานหรือว่าความเอื้อเฟื้เ อ, อเกื้เ อ, อเกูลกับผู้คนนะซึ่งมักจะถูกกลบ ไม่ให้ถูกกลบไปด้วยเรื่องราวที่มันแย่ๆที่มันเป็นการเบียดเบียนเอาเปรียบกันถ้าเราเพียงแต่หยุดนิ่งนะและพิจารณาโลกนะด้วยใจที่สงบไม่ปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปตามกระแสโลกนี่เราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะแล้วก็ที่จริงก็จะกลับมีพลังมากขึ้น ซึ่งอันนี้มันต้องใส่สตินะที่จะทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตที่ตั้งมั่นนะแต่ทำให้ได้เนี่ยมันก็ต้องรวมไปถึงการใช้ชีวิตเนี่ยให้ช้าลงด้วยใช้ช่วยให้ช้าลงเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยชีวิตนี่ก็เร่งรีบมากขึ้นแล้วก็บุ่นนะพอมันต้อง วิ่งไล่ล่าแข่งกับเวลาแข่งแย่งแข่งกักับผู้คนแค่จะกินข้าวนี่ก็โอ้กินกันเร็วมากเลยเคี้ยวกันเร็วมากเพื่อได้ไปทำนั่นทำนี่มากมายเวลาที่จะมีให้กับตัวเองก็น้อยทั้งนันที่ทำอะไรเร่งรีบแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเหลือถ้าใช้ชีวิตมันช้าลงซึ่งก็ต้องอาศัยการมีสติ ในการบริโภคในการดำเนินชีวิตแต่ทั้งหมดนี้เนะี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงการที่เรารู้จักนะลดความคาดหวังหรือว่าไม่เตื่อใจความคาดหวังเพราะความคาดหวังหลายอย่างเนี่ยมันมันเป็นการคาดหวังที่ถูกปลุกถูกปั่นด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาเพราะอยากมีมากกว่าคนอื่น นะพออยากได้คำชื่นชมสรรเสริญถ้าเรารู้จักนะเท่ารู้เท่าทันความคาดหวังไม่ปล่อยให้ความคาดหวังนี่มันไต่ระดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เคยรู้จักคำว่าพอสักทีคนเราเนี่ยถ้กว่ารู้จักคำว่าพอนะชื่นมันก็สงบได้ง่ายนะแต่เราจะพอได้ยังไงถ้าหากว่าความคาดหวังงเราเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งสักที มันมีแต่ไต่ขึ้นไต่ขึ้นแล้วพราะเหตุ น, นี้มันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันต้องเร่งรีบต้องวิ่งแล้วก็วุ่นอยูอ่เรียกว่าทั้งวันเลยใช้ช่วยช้าลงลนะดความคาดหวังนะรู้จักพอมันก็ทําให้เรามีความสงบได้ง่ายโดยเพราะถากว่ารู้จักใช้สติเนี่ยในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆลงบ้าง โนะดยพอถ้าใช้สติเนี่ยเพื่อรู้เท่าทันกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสมันฟูเฟื่องนะอันเนื่องมาจากการปลูกปั่นนะกระตุ้นเรานะของนะโลกรอบตัวแต่ถ้าใช้สติเพียงแค่ทำให้ใจสงบแล้วความสงบนั้นเนี่ยเอาไปใช้เพื่อในการทำมาหาเงินเพื่อไล่ล่าหาความสำเร็จ อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสงบได้แลสุดท้ายชีวิตก็ตกอยู่ภายต้นหน้าของกิเลสนะตัณหามีแต่ความรุ่มร้อนแล้วก็เหนื่อยลา้าถ้าเรารู้จักนะใช้ชีวิตให้มันช้าลงแล้วก็รู้จักตั้งคำถามกับชีวิตแทนะนที่จะปล่อยชีวิตให้มันไหลไปตามกระแสโลกนะเรากลับมาเป็นผู้ดูผู้สังเกต และต่อไปมันไม่ใช่แค่ดูโลกภายนอกอย่างเดียวนะแต่รู้จักดูแล้วก็สังเกตโลกภายในด้วยไม่หลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ว่าจะเป็นความอยากความโลภความโกรธความเกลียดหรือแม้แต่ความดีใจนะ ความเพลิดเพลินหลงไหลก็รู้มันไม่ปล่อยใจไหลไปตามมันกับโลกภายนอกก็ไม่ปล่อยช่วยให้ไหลไปตามกระแสะโลกส่วนภายในก็ไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสะอารมณ์แล้วก็ไม่ใช่ไปต่อต้านจนะเพียงแค่ดูมันอย่างห่างๆเราก็สามารถที่จะทรงใจให้เป็นปกติ แล้วก็พบความสงบได้แต่ถึงแม้เราจะไม่ไหลไปตามกระแสโลกนะแต่ว่าก็อย่าลืมเราก็มีหน้าที่นะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลโลกด้วยไม่ใช่แค่ดูอยู่เฉยเนะไอการดูอยู่เฉยๆนี่ที่ว่าเนี่ยมันก็หมายถึงเพียงแค่ว่าเราไม่ไปโจร น, นะปล่อยช่วยให้ไหลไปตามกระแสจนกระทั่งไม่เป็นตัวงตัวเองจนกระทั่งเหนื่อยละ แต่ว่าเราดูโลกนะเพื่อได้เห็นความเป็นจริงและความเปลี่ยนไปของโลกรู้เท่าทันมันไม่ตกเป็นทาสของมันแต่ก็พร้อมจะเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อทำให้ผู้คนมีความทุกข์น้อยลงและทำให้โลกนี้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่ว่าดูแล้วเฉยเมยอันนั้นไม่ถูกแต่จะทำกันได้เนี่ยเราก็ต้อง ไม่ปล่อยตัวให้เป็นเป็นาธาตุของโลกถ้าเรารู้จักนะเป็นอิสระเหนือโลกยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างที่ถ้าเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ท่านาพูดสรุปด้วยคำสั้นๆนะว่าอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกอยู่ในโลกแต่ว่าใจเนี่ยอยู่เหนือโลกแล้วก็เกื้อโลกไปด้วย ถ้าตัวอยในโลกแล้วก็ไหลไปทำกระแสโลกเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์นะแต่ถ้าว่าใจอยู่เหนือโลกไม่ไปไหลไม่ไหลไปทำกระแสโลกแล้วก็เกินโลกด้วยเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นช่วยที่ดีงามที่ประเสริฐเยนนี่ก็พเพาะทอนี้นนะกลับภาพพร้องกัน